เตจตาริสวัตะว่าด้วยวัด43ข้อในอุเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ถูกสงลงอุเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาภ พ, พึงประพฤติชอบการประพฤติชอบในเรื่องนั้นดังนี้ 1. ไม่พึงให้อุปสมบท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 เจ็ดไม่พึงต้องอาบัตอื่นทำนองเดียวกันแปดไม่พึงต้องอาบัตที่เลวซามกว่านั้นเ้าไม่พึงทำหนิกรรมสิบไม่พึงทำหนิภิกษุผู้ทำกรรมสิบเอ็ดไม่พึงยินดีการกราบไหว้ของปกจจตตะภิกษุสิบสอง ไม่พึงยินดีการลุกรับของปกตัตตะพิกษุ 13. ไม่พึงยินดีการประนมมือของปกจจตตะภิษุ 14. ไม่พึงยินดีสามีจิกรรมของปกจจตตะภิษุ 15. สิห้าไม่พึงยินดีการนำอาสนะมาให้ของปกจจตตะภิษุ 16. ไม่พึงยินดี การนำที่นอนมาให้ของปกจตตะภิกษุ1 7ไม่พึงยินดีน้ำล้างเท้าการตั้งต่างรองเท้าให้ของปกจตตะภิกษุ 18. ไม่พึงยินดีการตั้งกระเบื้องเช็ดเท้าให้ของปกจตตะภิกษุ 19. ไม่พึงยินดีการรับบาทและจีวรของปกจตตะภิกษุ 20. ไม่พึงยินดีการที่ปกตตะภิกษุถูหลังให้ในคราวอาบน้ำา21ไม่พึงใส่ความปกตตะภิกษุด้วยสีลวิบัติ 22. ไม่พึงใส่ความปกตตะภิกษุด้วยอาจาระวิบัติ 23. ไม่พึงใส่ความปกตตะภิกษุด้วยทิฏฐิวิบัติ 24. ไม่พึงใส่ความปกติตะภิกษุด้วยอาชีววิบัติ 25. ไม่พึงยุยงปกติตะภิกษุให้แตกกัน 26. ไม่พึงใช้เครื่องนุ่งห่มอย่างคฤหัต 27. สไม่พึงใช้เครื่องนุ่งห่มอย่างเดียรถี2ี 28. ไม่พึงคบพวกเดียรถี 29พึงคบพวกพิกสุ30พึงศึกษาศิกขาบทของพิกสุ31ไม่พึงอยู่ในอาวาสที่มีเครื่องมุงบางเดียวกันกับปกตัตตะพิกสุ32ไม่พึงอยู่ในสถานที่มิใช่อาวาสที่มีเครื่องมุงบางเดียวกันกับปกตัตตะภิษุิ สาไม่พึงอยู่ในอาวาสหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาสที่มีเครื่องมุงบางเดียวกันกับปกตัตตภิกษุ 34. เห็นปกตัตตภิกษุแล้วพึงลุกจากอาสนะสาไม่พึงลุกรานปกตัตตภิกษุทั้งข้างในหรือข้างนอกวิหาร 36. ไม่พึงงดอุโบสถแก่ปกตัตตะภิกษุ37ไม่พึงงดปวารณาแก่ปกตัตตะภิกษุ38ไม่พึงทำการไต่สวน3าสไม่พึงเริ่มอนุวาธาธิก่อน40ไม่พึงขอโอกาสภิกษุอื่น41อ ไม่พึงโจ์ภิกษุอื่น42ไม่พึงให้ภิกษุอื่นให้การ43ไม่พึงชักชวนกันก่อความทะเลาะเตจตาริสวัตตะในอุกเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปจบ